มันเป็นสีเคลิ้มไปแล้วอ่อนไปคุณหมอหลงไปแล้วเอาเบอร์ห้าสิบเจ็ดมาจากไหนเล่อเคยฝึกมาจากไหนล่ะหวลูกสิษ์จันทองดูฟังยุบดูไปไปดูแล้วให้มันเกิดสติตัวจริงอย่าไปเพ่งเอา นักกรรมฐานนะไม่ว่าสำนักไหนนะเหมือนๆกันแหละช้อปเพ่งไม่ติดสมถะทั้งๆ ท, ที่อยากทำมิปัสนาก็ติดสมถะส่วนใหญ่เพราะเราไม่รู้จักลักษณะของจิตจิตชนิดไหนทําสมถะอันไหนทํำมิปัสนาจิตที่ทําสมถะมันเริ่มตั้งแต่โลภะอยากอยากปฏิบัติอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้แจ้งพออยากแนละ้วมันจะลงมือจ้องไว้ แต่ก็จะนิ่งๆทื่อๆขึ้นมาเพราะงะั้นถ้าเราลงมือทํากรรมฐานแล้วใจของเราเปลี่ยนไปจากปกตินะแสดงว่ามีการดัดแปลงเกิดขึ้นแล้วเราต้องการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่ต้องการดัดแปลงกายดัดแปลงใจนะปฏิบัติชอบดัดแปลงให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงมือปฏิบัติเนี่ยกับเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติจิตจะเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าลงมือปฏิบัติแล้วก็รวบเข้ามานะ อย่างเนี้ของปลอมล้วนๆเลยนะจะได้แต่สมถะละไม่มีวิปัสนาละเพราะวิปัสนาให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอ่ะพอดูตามที่มันเป็นไปเรื่อยจะเห็นไสรลักษณ์ถ้าเรารวบเอาไว้เนี่ยเราจะเห็นทุกอื่นทุกสิ่งทุกอย่างข้างนอกอเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจะเห็นว่าจิตนิ่งๆจะนิ่งลูกเดียวเลยงั้นฝึกมากๆเข้าของอื่นเป็นไตรลักษณ์ยกเว้นจิตจิตเที่ยง อันนี้เป็นมิจฉาทิจิเหมือนกันแล้วจริงๆจิตก็ตกอยู่ใต้ใจรักเราไปเห็นมาเที่ยงที่เห็นมาเที่ยงเพราะเราไปควบคุมไว้เป็นพวกที่เล่นฌานเล่นอะไนเนี่ยที่พเพ่งเก่งๆมักจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาถึงสุดท้ายพวกหรือสีชีพัยก็เลยรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเวลาตายอัตตานี้ก็รวมกับพระเจ้ารวมกับบรมอัตตาปรมาตามันจะอยู่ในพรหมโลก ไม่นิพพานนะคนละเรื่องอยายเป็นการเพ่งรูปถ้าเพ่งถึงขีดสุดแล้วไม่ชอบนามนะจะเข้าอสัน ญ, ญีจิตจะดับตรงที่จิตดับเนี่ยบางคนไปคิดว่าเป็นการเข้าถึงมรค น, นิพพานคิดว่ามรค น, นิพพานไม่มีจิตแต่จริงเวลาเกิดมร์มีจิตชื่อมร์กัจิตเวลาเกิดผลมีจิตเรียกว่าผลกจิตไม่มีจิตตลอด ไม่ใช่จิตดับไม่ใช่จิตหายไปถ้าจิตหายไปเลยนะเรียกว่าอาศัญยีสัญญสตาเป็นพรมลุกปักต้องระวังเราเพ่งถ้าเพ่งมากๆนะจะไปเป็นพรมลุกปักมันคือการเพ่งรูปเดี๋ยวเราดูท้องเราเพ่งท้องดูเท้าเราเพ่งเท้านี่คือการเพ่งรูปนั่นเองจะได้รูปประชานแต่ถ้าการรู้ลักษณะนะร่างกายเคลื่อนไหวใจจะต้องเป็นคนดูคนร่านกันนะจะต้องแยกรูปกันนามออกแยกกันก่อน ก่อนจะขึ้นมีปัสนาจริงในะยานที่หนึ่งนำรูปปริเชษทะยานแยกรูปกขนามไม่ใชร่รู้ว่ารูปของก้อนหนึ่งรูปยุบการหนึ่งนะในโคลาอนะน้วนรูปปริเชษทะยานคือเห็นเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเมื่อกี้พยักหน้าแต่ใจลอยทราบไหมให้รู้อย่างนี้นะนใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมไม่ห้ามนะ เราไม่ห้ามแต่เราจะดูจนเราเห็นความจริงเลยมันแอบทํางานของมันได้ทั้งวันเนี่ยไปอีกละเห้ามมันไม่ได้ไม่ได้ฝึกห้ามจะต่างกับการที่เรากําหนดนะถ้ากําหนดนั่นคือการควบคุมไหมการห้ามไหมงั้นในพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดเลยกําหนดนี้อาจารย์ชั้นหลังมาตั้งกันที่นองในอธิกษา ส, า, าสอนว่ากําหนดน่ะผิดด้วยซ้ํำไปสติจริงๆเป็นความระลึกได้เนี่ยระลึกได้ไหมจิตหนีแว บ, บแว บ, บแว บ, บ, บ, บเป็นระยะ หนีแล้วระลึกหนีแล้วระลึกได้ตามรู้ไปได้วยในที่สุดเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นเลยเนี่ยมันจะแวบอย่างเนี้ยห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้จิตมันไปเนียย่ยไปอีกแวบและรู้สึ ก, สกไม่มี ไม่พอดีนะถ้าพอดีจริงๆเดี๋ยวมรรคก็เกิดแล้วเพราะนั้นเรียนที่ผิดนะเมื่อไหร่ไม่ผิดมันนั้นถูกอย่าพยายามหาที่ถูกแล้วแค่อยากจะหาสิ่งที่ถูกก็ผิดเรียบร้อยแล้วแล้วโลภะเกิดแล้วสติจะไม่เกิดเลยงั้นอย่างเราจงใจกําหนด้เรื่อยๆสติจะไม่เกิดนะเกิดไม่ได้เลยเพราะโลภะมันเจืออยู่สติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้ใจลอยไปแล้วทราบไหมถัดอย่างนี้ ฝึกได้ดีนะหลวงพ่อดีใจด้วยยินดีด้วยในภาษาแขกเรื่องอนุโมทนาก็ยินดีด้วยปล่อยยินดีด้วยเนี่ยหลงไปละรู้สึกไหมดีแล้วฝึกได้ดีดีหลวงพ่อก็ฟังบ่อยๆนะฟังแล้วก็ดูสภาวะไปเราจะรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อกล้าท้าเลยดีๆหลวงพ่อไม่เหมือนใครหรอกฟังแล้วฟังอีกได้นะฟังแล้วฟังอีกก็เข้าใจไม่เหมือนเดิม อ้าวคุณนีดีแล้วรู้สึกเลยเลยใจมันอ่อนแอไปนิดหนึง่งดูออกไหมอ่อนแอลงนิดหนึง่งรู้ทันมันอา่ามันป้อแป้ไปนิดนึงใจมันป้อแป้ไปนิดนึง่งนะควรู้ตัวมันไม่เต็มที่ป้อแป้ไปนิดหนึง่งค่อยๆรู้สึกไปนะหัดรู้สภาวะ ไม่ใช่ฝึกเอาดีแต่ฝึกให้รู้สภาวะตามที่มันเป็นจริงๆในที่สุดปัญญามันจะเกิดบังคับมันไม่ได้สักอันเดียวมีแต่ของไม่เที่ยงเบอร์ห้าสิบเจ็ดไม่เที่ยงแล้วรู้สึกไหมหนีไปละคนนี้เบอร์อะไรเนี่ยห้าสนะิบหกเหรออย่าบังคับตัวเองนะอย่าบังคับตัวเองเยอะไป มันไม่มีแรงแค่รู้นะ้าไม่แก้แค่แค่รู้ไปว่าจิตขณะนี้กับจิตตะกี้ไม่เหมือนกันรู้แค่นี้พอละนะเราไม่ได้เอาดีนี่เราต้องการให้เกิดปัญญาปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เอาสุขนะไม่ได้สุขไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสงบปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงแต่จิตจะมีปัญญาได้จิตก็ต้องตั้งมั่นนะ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีปัญญาถ้าจิตตั้งมั่นกัจิตสงบไม่เห ม, เหมือยกันทีเดียวสงบเนี่ยอาจจะสงบโง่โง่ก็ได้ซึมซึมซื่อบื้ออยู่กันก็ได้นะแต่ถ้าจิตตั้งมั่นหมายถึงจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวจิตอ่อนโยนนุ่มนวลเบาคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อนะจิตตัว น, นี้ซึมทื่อไปนิดนึงน ะ, ะคนนี้เบื่ออะไรใส่แว่นตาเนี่ยรงกันบ้าน แลจิตมันมีโมหะนะเดี๋ยวนั่งไปก่อนอคนต่อไปดนนะมันอะไรนะธรรมดานะใจมันไม่รักดี อย่าไปเกลียดมันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่จิตไปรู้เมื่อใจไปรู้ธรรมารมใจไปรู้อะไรก็ได้เรียกว่าธรรมารมทั้งหมดเมื่อใจรู้ธรรมารมแล้วความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันรู้ทันใจเราอย่ามัวแต่ไปรู้เรื่องที่มันคิดนะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบมันนะธรรมดาจิตจิตต้องไหลไปเรื่อย นะธรรมดาของจิตชอบส่งออกไปหลวงพูดูลสอนนะบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมูทยัยมีผลเป็นทุกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคมีผลเป็นนิโรธส่วนใหญ่รู้กันแค่นี้นะความจริงมีบทที่สองด้วยนะถ้าเรียนบทเดียวก็จะพยายามห้ามไม่ให้ใจไหลไปถ้ามีบทที่สองท่านบอกอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะแต่จิตของพระอริยะเจ้าหมายถึงจิตพระอรหันต์เนี่ยเมื่อไปกระทบอารมณ์นะไม่กระเพื่อมหวั่นไหว อยู่มีสันติสุขอยู่อั้นีแต่จิตของคนที่ยังไม่แจ้งในธรรมะกระทบอารมณ์แล้วก็เพิ่มหวั่นไหวให้รู้ทันมันให้รู้ทันความกระเพื่มหวั่นไหวก็ดีนี่เนาะเออเ อ, อ, อย่าฆ่านะหลวงพ่เอเคยเห็นคนเป็นฆาตตัวตาย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอินกับการพูดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกขึ้นมาเพราะว่าใจเราไหลแบบลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละถึงได้ถูกกิเลสครอบงําได้ะเพราะงั้นอยปล่อยให้มันไหลเวลาพูดสังเกตให้ดีเวลาพูดิ ด, ด, ดจุดอ่อนพอพูดแล้วอินเพราะงั้นให้คอยรู้ทันตรงที่มันอินนี่แหละถ้าไม่อินมันไม่ฆ่าตัวตายนะ อ, อดักดูตรงนี้นะดูให้ทันตรงนี้เอาเบอร์เจ็ดสิบหก ฝึกรู้ตัวอย่าอย่ฝึกรู้ตัวเลยฝึกให้รู้ว่าไม่รู้ตัวเป็นยังไงเวลาใจเราหลงไปแล้วคอยรู้สึกเนี่ยหลงแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมอย่าไปทำความรู้สึกตัวขึ้นมานะบางคนชอบไปทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำขึ้นมาไม่ได้สติเองก็เป็นสิ่งที่ทำขึ้นไม่ได้สมาธิปัญญาทำขึ้นไม่ได้สิ่งทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนัตตาแต่ถ้ามีเหตุมาถึงจะเกิด เหตุสติคือเราจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นหัดรู้สภาวะใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมนี่หัดรู้อย่างนี้นะเหยียบอยู่ๆก็อะละรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไวไ้อย่างนี้ไม่รู้สึกหรอกหลงไปอีกแล้วรู้สึกไหมลืมตัวเองอีกแว๊บหนึ่งละให้คอรู้สึกบ่อยๆอย่าพยายามทําสิ่งที่ถูกนะให้รู้สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดมีสองอันอันหนึ่งเผลอไปอันหนึ่งไปเพ่งไว้ เนี่ยตอนนี้เริ่มเพ่งแล้วรู้สึกไหมทำไมพอหลงพ่อพูดขัดคำก็เพ่งเลยเนี่ยรู้ตรงที่ผิดนะแล้วมันถูกเองเพราะอะไรไม่ผิดเมื่อนั้นจะถูกเองเนี่ยใจลอยอยีกแว๊บหนึ่งทราบไหมเนี่ยเริ่มบังคับแล้วเห็นไหมถ้าไม่เฝือไปก็เพ่งไว้มีเท่านั้นแหละเพราะว่าทางสายกลางนะั้นไม่ค่อยเกิด อ, อ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ก็อนก็ีอยาคือ้อีสมก็จะแก่ตาจะ่าเอาุีมาก็ืนั่มันมาเปาแวน่นั่นแหละดีแล้วนะสมาะก็ทำได้นะ แต่ว่าได้วิปัสสนาแล้วยิ่งดีอย่างเราเห็นผู้หญิงจิตเกิดราคะมันพิจารณาสุาขาะก็ดีเหมือนกันได้ดีแบบสมถะนะเราเห็นใจของเราเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาราคะเริ่มดับไปอะไรเงี้ยตัวนี้มีสติให้รู้ราคะที่ดับไปจิตเกิดความตื่นขึ้ น, นมาตรงนี้เดิมวิปัสสนาะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นจริงๆนะจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนา หลวงพ่อเคยเป็นรายงานการปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลงหนึ่งท่านก็บอกว่าจิตหลวงพ่อตรงจุดนี้ทําสมถะตรงนี้ทํำมิตัศสนาอะไรอย่งี้หลวงพ่อก็บอกท่านบอกผมไม่ได้ฝึกสมถะนะดูจิตเฉยเฉยท่านบอกการดูจิตนั้นแหละจิตมันพลิกเป็นสมถะอัตโนมัติได้สมถะอัตโนมัตินั้นไม่ใช่ไม่มีสมถะหรอก นี่เราก็คอยรู้ทันมันนะบางทีจิตก็ไปพลิกเข้าไปอยู่กับความว่างๆคลิกก็อยู่ในความว่างนี้ก็เป็นสมถะบางทีจิตก็พิจารณาสุภาษมันพิจารณามันเองนะก็ อ, อะไรมันพิจารณาเองเพราะมันเคยพิจารณามาแล้วไม่มีอะไรเกิดโดยบังเอิญนะอย่างพอเราเห็นผู้หญิงปับ๊บเราพิจารณาเป็นปฏิกูลสุภาษปับ๊บแสดงว่าเราคุ้นเคยอาจจะตั้งแต่ชาติก่อนๆ ก, ก, ก็ได้ชาตินี้ก็ได้ ผู้หญิงก็เหมือนกันพอเห็นหน้าผู้ชายนะเห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่ต้องพิจารณาเท่าไหร่ก็เห็นนะเพราผู้ชายป็นดูโสโครก <c oughs> ดูง่ายไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ดูง่ายมอมแแ ม, ม่ <c oughs> เออดีแล้วดูไปดได้แล้ว อัเบอร์สิบเก้าหลงแล้วนะเบอร์หนึ่ง อืเา เ, เข้าถึงต ท, ที่จะที่จะมอืแก็มีความองจางแตกมันต้อืโดนแเออมันแยกมะขันมันกระจายตัวออกไปนะดีแล้วล้วสังเกตไหมแต่ละขันทํางานของมันนะถ้าขันแต่ละขันทํางานไม่ก้าวไ ก, ก่กันนะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะมันไม่มีตัวเรา พอมันก้าวไกลกันขึ้นมามันจะมีตัวเราขึ้นมารู้สึกไหมร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวที่หยิบแปมบนะความจำก็ไม่ใช่ตัวเรามันผุดขึ้นมาเองนะความคิดก็ไม่ใช่ตัวเรามันผุดขึ้นมาต่าหาจิตมันก็อยู่ต่างหากนะจิตพอเราไม่ไปคิดมันนะมันก็ไม่เป็นตัวเราตัวเราไม่มีหรอกดูลงไปเรื่อยนะมันจะกระจายขันออกไปแล้วเห็นไหมขันไม่ใช่ตัวเราดีละแต่ตอนนี้ จิตซึมมากไปนิดนึนะรู้สึกไหมทื่อๆเยอะไปคลายออกนิดหนึง่งนะแข็งไปแข็งไป เวลาก็ดีแล้วดีขึ้นที่เราออะืมอืม <apocalypse> อืมอมดีแ <examine> ล้วดูไปแต่ภาวะอะไรก็ได้นะรู้ไปด้ยดีแล้วล่ะล้าคุณพี่ชาติว่างไงว่าไงนิดเดียวดีกว่าวันก่อนดีกว่าเมื่อวานซืมดีแล้เวเมืร์เจ็ดเป็นไงบนเบอร์เจ็ด อะไรนะเนี่ยแหละเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละถูกต้องแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะโกรธไปรู้ไปนะต้องโกรธไปก่อนถัด่างนั้นก็รู้ว่าโกรธสเต็ปติดกันอย่างนี้ใช้ได้นะสะเต็ปแบบมีอย่างอื่นมาขั้นนี่ใช้ไม่ได้เมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธนี่ใช้ไม่ได้ ต้องโกรธไปก่อนโกรธแล้วยังไม่ทันจะเลิกดีนะก็รู้สึกขึ้นมาว่าโกรธถ้าโกรธแล้วจนเลิกโกรธแล้วรู้ว่าเมื่อกี้โกรธนี่มีอย่างอื่นมาขั้นะมีความไม่โกรธมาขั้นใช้ไม่ได้รู้ตามหลังไปเรื่อยๆให้รู้ว่าจิตฟุง้งซ่านไม่ใช่รู้เรื่องที่ฟุง้งซ่านเออไม่ต้องรู้เรื่องนะเวลาจิตติคิดรู้ว่าจิตไปคิดไม่ต้องรู้เรื่องที่จิตคิดอันนี้ สำหรับเจริญสตินะแต่ถ้าเราอยู่กับโลกต้องรู้เรื่องที่คิดนะเช่นเราจะทำมาหากินหรือเราจะเรียนหนังสือเนี่ยต้องไปรู้เรื่องที่มันคิดในขณะที่รู้เรื่องที่คิดจะเจริญสติไม่ได้เพราะรู้กายรู้ใจไม่ได้จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งและอย่างเดียวพอรู้เรื่องที่คิดแล้วรู้กายรู้ใจไม่ได้ดนเวลาเราตั้งใจทางานจดจ่อกับงานใดทำไปคิดเรื่องงานแต่ แต่พอทำไปสักพักหนึ่งขี้เกียจหรือเบื่อเนี่ยไม่ใช่งานแล้วเบื่อกับขี้เกียจเนี่ยให้มีสติรู้ทันใจที่ขี้เกียจเนี่ยวามันหายขี้เกียจปุ๊บ ต, ตั้งใจทํางานต่อนะหนูว่าเคยรู้จักผี่หญิงคนนึงเป็นลูกจ้างเขาเป็นพนักงานนหัวหน้ากองให้ทํางานใน่มู่หูด่าหัวหน้ากองนะคนคนบาป ถ้าทำนองนี้นะหมวงพ่อจำวัดิ้งไ่ได้นะคนประเภทคนใจบาปคนก็จะภาวนาแล้วมาใช้ก็าทำงานอันนี้ผิดหน้าที่นะเขาจ้างไปทำงานไม่ได้จ้างภาวนา <c oughs> เพราะงั้นเวลาทำงานก็จดจ่อกับ ง, งานไม่ใช่เวลาภาวนาแต่ถ้ากิเลสแทรกขึ้นมาอันนี้เป็นเวลาภาวนาละระหว่างทำงานกิเลสแทรกเข้ามาบ้ารีบรู้ทันแบบอย่างนี้ใช้ได้ ส่นมากเวลาทำงานนะไม่อยากทำงานอยากปฏิบัติพอมาอยู่วัดนะแทนที่จะปฏิบัติก็ไปคิดเรื่องงานนะหาความพอดีไม่ได้ไม่ว่าริงปัจจุบันไปข้ามควนไปอดีตข้ามควนไปอนาคตนะเอาเบอร์สามปิเ็ดแล้วไงเห็นห น, น้าตาเหมือนเหมือนกัน รู้ถูกแล้วรู้ไปที่ทําอยู่เนี้ยถูกแล้แต่ไม่ได้รู้พร้อมกันนะเป็นคนละขณะแต่มันติดกันมันไวมันมันสวิชเร็วปรับที่ทําอยู่ดีแล้วเอเบอร์หนะ้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดน่ะไปดูเบอร์ห้าสิบแปดลืมตัวเองแล้วเดี๋ยวนะบังคับตัวเองแล้สึกไหมแค่นี้ก็บังคับละนะ หัดรู้สภาวะนะเออหลงเยอะธรรมดาหลงทั้งวันเลยอ๋ออย่างดีนะมาใสตอนหน้าหลวงพ่อเผื่อหลวงพ่อจะได้ชมเนาะบางคนดีมาตลอดเลยนะพอมาเข้าใกล้หลวงพ่อแล้วเกรงอย่างคุณเป็นสีเนี่ยเข้าใกล้แล้วเกรงดูยังไงก็ไม่ถูกสักทีนะเคลมนะ ดีแล้วทำไปเอาเบอร์หกสิบห้าเคยมาไหม เ, เห็นกิเลสเนีอยังวันหนึ่งวันหนึ่งกิเลสเกิดหลายผลไหมตัวไหนเกิดบ่อยตัวไหนตัวไหนเกิดบ่อยที่สุดกิเลสอะเอาของเราไปไม่ต้องนึกถึงว่าคนอื่นเป็นยังไงเออเป็นใจลงเออ ถูกต้องหลงไปทางหูทางตาแนละ้วเออแต่ไปหารู้จักหลงทางใจนะเพราะจริงๆเราหลงทางใจมากที่สุดเลยพอหลงไปทางหูทางตากระเด็นหนึ่งก็ต่อด้วยหลงทางใจเนี่ยหลงทางใจแว บ, บและรู้สึกไหมไม่ละเอียดนะมันไหว <c oughs> แล้วฝึกหน่อยนะอย่าขี้เกียจนะ <c oughs> บางคนไม่รู้จะตายวันไหน บางคนรอบอกไว้แก่ๆ ก, ก่อนแล้วค่อยฝึกอะไรเงี้ยหลายคนนะพวกผู้ชายหลวงพ่อไม่รู้เกิดโรคติดต่ออะไรนะเป็นมานานแล้วกาว่าอายุห้าสิบแล้วจะฝึกโทษฝึกเข้าโลงสิเนาะฝึกมันต้องฝึกตั้งแต่สิบกว่าปีเนะ่ยเจ็ดแปดปีขึ้นไปฝึกแล้วดีแก่ๆ แ, แล้วฝึกไม่ดีฝึกยากนะยังหนุ่มๆอยู่ฝึกไว้นะขยันดูดูแล้วจะมีความสุข แ้ก็อย่าอย่าไปเล่นกับโลกมากนะเลินๆไปเสียเวลาคุณใหญ่เป็นไงคุณใหญ่ข้างหลัง เกิดแ ม, มต้ตามหลังความคิดตามหลังความคิดมาความกลัวห้ารับพรนเนาะยถาวาริวหฮาปุราปาริปุเรนตีสะพรางเอวเมวายโตตินังเ t ตาณังอุปกปกติอิชิตังปิตังทุมหังกิปเมวาสมิชตุสเพปูเรนตสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถา สพีติโยวิวัชชนตุสปโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุจีติขายุโกภ ว, วาภิวาธนาสีลสนิจังมุทาปจายิโนจ ต, ตารูธรมาวันตีอายุวนโนสุขังภะลังภวตุสัพพังขลังรักขันตุสัพพเทวตาสพพุทธานุภาเวนัสั พ, พธรมานุภาเวนา สัพสังการุภาเวนาสดาโสธีพวัน